إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين هم من خشيات ربهم مشركون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. َالَّذِينَ هُمْ ب และที่น ل َน ذ ي ن ุษไม่รู้ว و ا กุลุบُหว่าจิ أن นา ه م ر, ر, ع ر, ر ع ا ع و ن أ ن إلى ربهم ر ا ع و ن و ل ك ي س ا ع و ن في ا ل خ ي ر ا ت و ل ك يس في الخيرات، وهم لها سابقون، وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولا نكلف نفسا إلا وسعها. والدينا كتابي ينطق بالحق وهم لا يظلم وهم لا يظلم اسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما ي ه ه الله ف م ل ل วเมน ي ُ ضلل ف ل ا ه ا د ي َ ل ه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن م, ان م ح م د إ, ا ع َ ب د ه ورسوله اللهم ب ِ ك أسبحنا وبك أصينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا ي د ر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء فوسميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد الرسولا اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء ا ل ك ب ر ِ رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته พี่น้องที่ร่วมนมัสกาที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราขอบคุณ ภาษาที ke, Allah, h, wa, Allah, ke, ่ดีที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลลั์เป็นภาษาที่อัลลอฮ์บอกผ่านท่านนบีให้ท่านนบีเนี่ยมาสอนบอกว่าการขอบคุณอัลลอฮ์การใช้ภาษาที่ดีที่สุดก็คืออัลฮัมดุลิลลั์คนที่ได้ภาษาหดับเยอะๆก็อ่าจจะตอว่าละกัลฮัมดูวะละกัลชุครอัลลอฮุมะละกัลฮัมดุวะละกัลชุครนะครับ ขอบคุณอัลล์สุบฮานาอูวาตาลาที่เราจะอัลลอ์ Allah ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้และอัลลอ์ให้เราตื่นขึ้นมาในขณะที่พี่น้องเราบางคนอาจจะหลับไปเลยนะครับมีไหมมีแต่เราไม่รู้ข่าวนะครับพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยให้ขอบคุณอัลลอ์ว่าอย่างไรครับอัลฮามดุลิลาฮิลาดีอัฮยานาบาดามะอามาตานาวยิลัฮินูชู นี่เป็นดวอาขอบคุณอัลลอฮ์คสอนครับนบีมุฮัมมัดสโลลัุบัสลัแลบรรดาซอบานบีบรรดาอุลามะทั้งโลกเนี่ยเขาอ่านดวอาบทนี้กันหมดนะเราก็ฝึกตัวของเรานะครับให้ขอบคุณอัลลอ์ุบฮานะูวะตาลดอาออกจากบ้านอดวอาออกจากหอพักล่ะบิสมิลลาฮิะัลตุอัลลอฮิวะลาวลาวตอิลลาบิลลดวอาออกจากบ้าน เดินมามัสยิดก็มีดูอาอีกอัลลอฮุมะจั่นฟีกุลูอัลลอฮุมะจั่นฟีกลอะไรหรือไปล่าอัลลอฮุมะจั่นฟีกุลบีนูรอนว่าฟีซามัยนูรอนเนี่ยก็ต้องอ่านกันทุกคนนะครับขึ้นรถก็ต้องอ่านดูอาเอารถมาจอดที่หน้ามัสยิดระหว่างที่เดินเข้ามัสยิดก็อ่านดูอาอีกนะครับพอจะเข้ามัสยิดก็นึกเท้าวขวาหรือเท้า ซายตรงนึกแล้วก็เอาเท้าขวานีเข้ามัสยิดพร้อมกับขอบคุณอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละอะไรอัลลอฮฺผมัฟตัฮลีอบวาฮาบาระห์มัติกทั้งหมดเหล่านี้เป็นสุนนะของท่านนบีทั้งหมดไม่ใช่วะฮับีไม่ใช่คณะใหม่ไม่ใช่โกมูดอไม่ใช่นี่เป็นสุนนะของท่านนบีพยายามเรียนสุนนะของท่านนบีอะไรคุมบิสุนนะที่นบีสั่งนะท่านต่างหลายจงเรียนเรื่องสุนนะของฉัน วิธีการอาบข้าวของน้ําอาบน้ําอาบน้ําจะนาบะอาบน้ําเฮตนิฟาสนบีสอนไม่หมดเลยเข้าวของน้ําทํำยังไงออกจากห้องน้ําทํำยังไงจะนอนทํำยังไงจะทานอาหารทําไงนบีสอนมารยาทเรียกว่อาอัครากที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาอัลาเรามาทบทวนคุรานนะครับในสุรอ์อัลมุนินูนอายะตุร์ที่ ยี่สิบสามปีที่ยี่สิบสามอย่างโวรงว่าสซรอละปีก็ขอทุกอาา์ต่อลรอให้อยู่จนกว่าจะจะจบกุอานแล้วก็ตายพี่น้องครับอายาครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับขอทบทวนเรื่องเรื่องเรื่องที่แล้วนะเออนั้นมีอยู่อายะหนึ่งที่อัลลอ์กล่าวบอกว่าไงนะนูซาเราะลลัฮุมฟิลไคลรอ บัลล า, ายช ع รูนไอ้ ح س บูนอันนมานุมิดูหุบีมิมมาลิวบนันนนนุสร้าล่ำหุมฟิลอยรอตบัลลายช ع รูนเรื่องเก่าคือคนคาเฟตกับคนมุสลิมเนี่ยคิดไม่เหมือนกันเอาสารุปทันทันนะคนฝังคันนี้กับคนฝังคนู้นเนี่ย คิดไม่เหมือนกันคนฝั่งคนนู้นเนี่ยคิดอย่างนี้เวลาอัลลอ์ให้ให้ลูกให้เขามีลูกมีหลานมีเงินมีทองมีบ้านมีที่ดินมีรถมีของชายบนโลกดุญญนยาเบนีเขาเขาพูดว่างไงนะเนี่ยอัลลอฮ์รักฉันพระเจ้าเนี่ยรักฉันสิ่งศักดิ์สิทธิเนี่ยรักฉันก็เลยให้ฉันมา แล้วเขามองเป็นความดีทั้งหมดอะไรที่ได้มานั่นมองเป็นความดีทั้งหมดคนฝั่งคะนุ่นมองแบบนี้แต่คนฝั่งคนี้เนี่ยไม่ได้มองอย่างนั้นคนคนฝั่งคนี้เนี่ยพาะอัลลอฮ์สอนเวลาได้รับเนียอามัดม า, มาได้รับเงินมาได้บ้านมาหลังหนึ่งได้รถมาคันหนึ่งได้ที่ดินมาแปลงหนึ่งเนี่ยนึกยังไง ย่านึกเหมือนคนฝังกนู้นคนฝังกนู้นนึกว่านี่เป็นความดีทั้งหมดนี่เป็นความเมตตานี่เป็นความรักที่อัลลอฮ์ประทานให้พี่น้องครับถ้าอ่านจากคู่อ่านนี่นะอัลลอฮ์ให้กับคนฝังกระนู้นให้เพราะความหมั่นไส้ไม่ใช่ให้เพราะความรักให้กับคนฝั่งกนู้นคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอาอิสลามไม่เอานาบีไม่เอาซุ น, านาัขนบีนะครับอัลลอฮ์ให้นะ ให้ที่ดินให้บ้านให้นูน่นให้นี่ให้เงินให้ทรัพย์สินเต็มไปหมดอัลลอ์ให้เพราะความมั่นไส้เพราะมันมีอยู่สามสามรายการหนึ่งอัลลอ์ให้เพราะอิสติโดรจันอิสติดรเนี่ยแปลว่าไงรู้ปล่าให้เพื่อจะจัดการเขาทีละขัน้นละขัน้นละขัน้นสู่ความหายะนะเรียกว่าอิสติโดรจัน ลายชโรวูนแต่คนฝั่งโน้นไม่รู้สึกแต่กูอ่านสอนนะคนฝั่งโน้นได้รับอะไรก็ตามเขาไม่รู้สึกตัวอัลลอฮ์ต้องการที่จะจัดการเขาทีละขัน้นละขันะข้นผลสุดท้ายเขารับความไหายานณะแบบฟาโร่ผลสุดท้ายฟาโร่จมน้ําตาใช่ไหมแต่ไปสวรรค์หรือไปนรกไปนรกครับแต่อยู่บนดุงยาเนี่สบายไหมมีพระราชวังอยู่มีบ้านอยู่มี ตำแหน่งสูงไปหมดทุกคนนี่โอ้แต่เป็นนะครับสู่ความอายานณะ์เรื่องที่สองครับคนฟังกันนู้นได้รับเงินได้รับทองได้รับบ้านที่อยู่เงินทองชื่อเสียงตำแหน่งอะไรก็ตามเรื่องที่สองอิสติบารอนอัลลอฮ์ให้เพื่อการทดสอบแต่พวกเขาไม่รู้แต่พวกเรารู้แค่นั้นพี่น้องมุสลิมที่มีบ้านหลังหนึ่งมีอาพาร์ตเมนต์นะครับร้อยห้องอะไรก็ตามแต่เถอะ มีรถหนึ่งคันมีภรรยาหมื่นคนมีนู่นมีนี้ต้องนึกนะอัลลอฮ์ให้เนี่ยอิสตีบารอนอัลลอฮ์ทดสอบหรือเปล่าอัลลอฮ์ให้อิสติดรอจานหรือเปล่าต้องนึกครับอีกเรื่องหนึ่งให้คนฝังกันู่นให้เงินให้ทองให้ที่ดินให้บ้านให้นู้นให้นี้ว่าอุมลีและวหุมอัลลอฮ์ประวิงเวลาไม่รีบลงโทษเขาให้เขาเพลินอยู่กับเงินให้เขาเพลินอยู่กับลูก ให้ก็เพลินอยู่กับบ้านให้ก็เพลินอยู่กับชื่อเสียงที่อัลลอฮ์ให้นั้นนะอุ้มลีละหุมเราประวิงเวลาไม่ลงโทษเขาชั่วยเขาตอนนั้นเองเดี๋ยวความตายมาอาซาบมาเมื่อไรถูกลงโทษ ท, ทันทีฉะนั้นคนฝั่งนุน้นคนฝั่งนี้คิดเหมือนกันไหมคิดไม่เหมือนกันแต่พวกเขาไม่รู้สึกตัวเอามาดูอายนนี้อัลลอฮฺสอนอายนนี้นะที่เท่าไหร่นะอายัที่ หาสิบเจ็ดนะครับอินัลที่นับมินขชยาทิรับบิหิมมุชฟิกุนอินัลที่นับมินขชยาทิรับบิหิมมุชฟิกุนอ่าอันนี้ต้องการจะสอนลักษณะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ ของเราที่นั่งอยู่ในมัสยิดนี่เาเรียกว่าผู้ศรัทธาทอดลอทั้งหมดผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์อัลลอฮ์สอนนะครับให้มีความรู้สึกอย่างนี้ในใจสอนว่าไงครับอินนัลละีนะฮุมแท้จริงบรรดาที่พวกเขาบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้ที่คอชยะแปลว่ายำเกรงเป็นคนที่เคารพยำเกรง รอบบีฮิมพระผู้อาภิบาลของพวกเขาในใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต้องมีความยำเกรงยำเกรงใครครับยำเกรงอัลลอฮ์ลึกๆในหัวใจของผู้ศรัทธาทุกคนต้องนึกครับเรากลัวอัลลอฮ์เราเกรงอัลลอฮ์นะครับมุชฟิกูลด้วยความกลัวเนื่องด้วยความกลัวมุชฟิกแปลว่าเนื่องด้วยความกลัวเพราะฉะนั้น แท้จริงบรรดาที่พวกเขาเป็นผู้เคารพยำเกรงพระผู้อภิบาลของเขาเนื่องด้วยความกลัวต่ออัลลอฮฺสุบฮานาฮวะาลานี่เป็นลักษณะเด่นในหัวใจของผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ต้องมีความกลัวอย่างนั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยทำไมเราไม่ยืดแท่นยืดขาทำไมเราไม่ยกนู่นยกนี่เหมือนกับเราเยือนอยู่ในสวนหลวงระเก้าใช่ไหมเราไม่แสดงเพราะเรากลัวอัลลอ์ พออัลลอฮ์สั่งเราว่านั่งอยู่ในมัสยิดเนี่ยต้องนั่งโดยท่าทางที่สงบเรียบร้อยหัวใจเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์สิเกตถึงอัลลอฮ์ Allah, หรือไม่ก็อ่านอัลกรุรอานหรือไม่สูดอยู่หรือไม่ก็รู้กุ๊ะอยู่ในท่านี้เราไม่อยู่ในท่าที่โอ้โหเต้นผับผั บ, บนั่นมันอยู่ท่านหลวงรอว้องไก่ไอ้นี่มันอยู่ในบ้านของอัลลอฮ์ทำไมเพราะเรากลัวอัลลอฮ์สุบฮานะหูบะตาละนี่ไงลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะของพวกบรรดาสัฮ า, าบานบี เขาทำกันจากนี้อัลลอฮ์ก็เล่าในคัฟีกุนอ่านคนที่อ่านคุฟรนอ่านวันนี้ควรจะมีอัคลาบนิสัยแบบนี้มีความกลัวในความยิ่งใหญ่ของอัลลอ์สุบฮาน ห, หูัตาถามว่าอัลลอฮ์สามารถที่จะให้แผ่นดินไหวในขณะนี้ได้ไหมได้ดีไม่ได้นี่ไงถ้าหาแผ่นดินไหวนะครับผู้ที่ปลอดภัยที่สุดก็คือคนที่นั่งอยู่ไหน มัสยิดของอัลลอฮ์อยู่ข้างๆนี่ตายหมดแต่อยู่ในมัสยิดนะ่ะปลอดภัยนี่อัลลอฮ์สัญญาไว้การถูกเซอเนมิที่ผ่านมาที่ที่อาเจตนายเป็นไงนะ่ะมีอยู่มัสยิดอยู่หลังเดียวใช่ไหมที่รอดอยู่ไอริมเรนะียมน่ะตึกรานบ้านช่องกคโต๊โตพังหมดเลยอะ่ะเห็นอย่ากฉะนั้นหัวใจของมุสลิมของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ข้อที่หนึ่งต้องนึกอยู่เสมอฉะนนั้นมีความเลยนะกลัวเคารพยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหุวดะอัลาอ ถึงเราอ่านอะไรนะอ่านอ่านดัอาจนออกออกจากห้องใช่ไหมเพราะนึกถึงอัลลอฮ์จะขึ้นรถไขกุญแจนึกถึงอัลลอฮ์รถจอดเสร็จแล้วจะเข้ามัสยิดนึกถึงอัลลอฮ์จะเข้ามัสยิดเอาเท้าขวาเพราะเรากลัวอัลลอฮ์สุบฮานาฮฺแล้วก็เดินตามสุนนะท่านนาบีสง่างามไหมสง่างามมากนะครับอย่างกีนเป็นต้นอาญานี้สอนเราอย่างนี้นะครับคนที่เป็นมุหมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เวลาได้รับ มีบ้านหนึ่งหลังมีภรรยามีลูกมีเงินมีงานทำํำมีอาพาร์ตเมนต์มีรถมีอะไรก็ตามแต่นึกยังไงต้องกลัวด้วยว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้แบบคนกาเฟตหรือเปล่าให้แบบอิสติดร อ, อยานไหมให้แบบอะไรนะอิคติบาร อ, อนไหมเป็นการทดสอบหรือให้ประวิงเวลาไม่มให้ไม่รีบลงโทษรอให้ตายก่อนลงโทษนึกต้องนึก ที่อัลลอฮฺให้เราวันนี้เนี่ยให้เราเพราะความมันไส้หรือเปล่าหรือให้เพราะความรักสังเกตสิไอ้อย่างเราต้องการจะฆ่าอะไรนะหนูหนูที่อยู่ในบ้านเราที่มันวิ่งเอาการะมังร่วงบ้างเอาช้อนร่วงบ้างวิ่งอยู่ในบ้านหนูตัวโตๆก็มีนะบ้านที่สกปรกสกปรกเนี่ยหนูเยอะเราต้องการที่จะฆ่าหนูทนําไงเราฆ่ามันเนี่ยก่อนที่จะฆ่ามันตัวมีวิธีใช่ไหม เอาอะไรนะเอาเอาเอาดักที่ที่ดักที่ดักที่ดักที่ดักหนูเนี่ยแล้วเอาอาหารใส่ไปใช่ไหมที่เอาอาหารใส่ไปในโกงเนี่ยให้เพราะความรักหรือให้เพราะความมันไส้ <c oughs> ไม่ได้ให้เพราะความรักให้เพราะความมันไส้มอ็มเข้ามามแดกอจับเองมแน่ใช่ไหม <c oughs> เหมือนกันเนี่ยเราจนี่หากนะเราทรายศ ต, ต่ออัลลอนะ์นะ อัลลอฮ์ให้อาหารเราแบบให้อาหารกับหนูนั่นแหละมัไม่ต่างอะไรกันหรอกแต่แต่หากว่าเราเลี้ยงหนูขาวเอาไว้ยกตัวอย่างหนูหัวจุกหนูขาวเห็นไหมเราให้อาหารมันก็ให้เพื่อความรักเช้าๆก็กรู๊กรู๊บเห็นไหมสาวบ้ามันเพลินฉะนั้นต้องนึกคนฝั่งคนี้ต้องนึกเนี่ยเราเนี่ยอัลลอฮ์ให้ดีสกีให้บ้านให้ลูกให้ที่ดินให้นู้นให้นี่มีตําแหน่งสูงเป็นนายกสมาคม ใจอะยามีตัวอิสลามเนี่างกุงลิดแต่ต่งตังต้งใหม่ใหม่อย่างเงี้ยต้องนึกเอ่นี่มันเนี่ยมัดหรือมันเป็นอิสติญร์ยันหรือมันเป็นอิสติบารอนหรืออุมรีละฮุมอมายีนมันต้องนึกฉะนั้นเราต้องมีความกลัวอะกลัวว่าตอนเนี้ยมัตที่อัลลอฮ์ให้มาเราจะดูแลเนี่ยมัดอันนี้สมบูรณ์หรือเปล่านะครับนะก็ขอฝากนะนี่ายญาญนี้เตือนเรานะให้เรานึกกลัวอัลลอฮ์ตลอดเวลา ทุกครั้งที่เราได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาเช่นได้ภรรยามาคนหนึ่งดูแลเป็นหรือเปล่าเตะเชา้าเตะเย็นอย่างนี้สอผ่านไหมไม่ผ่านตบหน้าภรรยาไม่ผ่านไม่ไ ม, ไม่ไม่เอาเงินให้ภรรยาชายผ่านได้ไม่ผ่านไม่ผ่านฉะนั้นนบับดุลเลาะสัง่งท่านไปเจอสามีที่ขี้เหนียวขี้เหนียวในบุเธอจําไว้นะถ้านไปเจอสามีขี้เหนีย ว, นะ ไ, นะ ไ, มยวไม่ให้ตังค์เธอหยิบเฉยเฉยไม่บาป ทำได้ไหมหยิบเฉยๆเท่าที่นักเท่าที่จําเป็นอยา่างวันนี้ใช่สามร้อยเวลาสามีเผลอๆก็หยิบมาณสามร้อยอย่างนี้บาปไหมไม่บาปเพราะสามีเป็นคนขี้เหนียวนะครับที่ทางออกของนายนะของชีวิตนะครับฉะนั้นได้รับเนี่ยมาัดมาแต่ละอยา่างแต่ะอยา่างต้องกลัวด้วยนะนี่มันเป็นคนฝั่ง น, นู้นหรือคนฝั่งนี้เพราะคนฝั่ง น, นู้นได้รับเนี่ยามาัดมามองเป็นเรื่องดีหมดเลย แต่ครอบอกไม่ใช่ลายาชูรุนเขาไม่รู้สึกตัวต่างหานะครับต่อมาครับอายาที่ยี่สบห้าบดนะครับวันลดที่นัุมบิอายาติรอบบิฮิมยุมินูนวันลดที่นัุมบิอายาติรอบบิฮิมยุมินูน เรื่องที่หนึ่งผ่านไปแล้วนะคนผู้ศรัทธาต่ออัลลอ์ในใจของเขาต้องมีความกลัวอัลลอ์ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเขาจะได้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงได้เกียรติยศมาก็ไม่ได้มองไปเรื่องดีกลัวอีกฉันจะทำหน้าที่อันนี้ครบสมบริบูรณ์หรือเปล่านะครับแต่นี้คำอธิบายผมลืม อ, อธิบายนะท่านฮาซันบสรีได้อธิบายอย่างนี้ ขบว่อินนัลมุมินคนที่เป็นมุมินเนี่ยยามาอ้ายซานันทำความดีหลายรายการอะไรบ้างนามาดถือศีลอดใช่ไหมแล้วก็จ่ายสกาศทำฮายีทำดีกับพ่อแม่ทำความดีทุกอย่างแต่กลัวมีความกลัวอยู่ในใจนั่นมุมิน ทำความดีทุกวันวันหนึ่งหลายๆรายการแต่ในใจของเขามีแต่ความกลัวตลอดอัลลอฮ์จะรับความดีฉันหรือเปล่านะอัลลอฮ์จะรับหรือเปล่านะจึงได้ขอดูอาร์ว่า ง, งนะอัลลอฮุมะรบบานาตะคบัลมินาดูอาร์นาวาสลาตนาวาสิยามานาวาสกาตนายาอัลลอฮฺยาอัลหะม์มารฮิมีนโอ้อัลลอฮ์จะรับนามายของฉันด้วยรับดูอาของฉันด้วยรับพยีของฉันด้วยรับ อะไรนะอุ้มรอของฉันด้วยต้องขอตลอดทั้งทั้งที่ทําความดีนี่ไงคนมุมินทั้งทั้งที่ทําความดีแต่มีความกลัวอยู่ตลอดเวลากลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่รับความดีที่เขาทำเข้าใจนะอะต่อมาครับว่าอินนัลกาเฟตคนกาเฟตเนี่ยนะทําความชั่วทุกวันใช่หรือไม่ใช่อะคนฟาก น, นู้นเนี่ย กินเหล้าทุกวันทําสินาทุกวันเข้าบาทุกวันนายขับทุกวันอยู่กันด้วนไม่แต่งงานทุกวันใช่ไหมทําบาปทุกวันแต่ใจของเขาไม่มีอะไรเลยใช่หรือไม่ใช่ใ ช, ใช่ครับเพรา ะ, ะ อ, อ่านแล้วเอใช่จริงๆคนฝังกนันนู้นทำบาปทุกวันแต่ว่าใจของเขาไม่มีอะไรเลยเหมือนอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุ ว, วดะใช่หรือไม่ใช่ใชเพราะนาบีศอ น, อนี้อัดดุนยาญานนตุลกาเฟ ดุนยาีเป็นสวนสวรรค์ของกลนกาเฟตแต่เป็นคุกสำหรับ yup. ผนะ um. ู้ศร uh ัทธาต่ออัลลอฮฺสุภาพนะฮูตาดะเข้าใจนะผู้ศรัทธาปฏิบัติข้อที่สองครับอยู่ในใจนะและบรรดาวัลลัดีนาฮุมและบรรดาผู้ที่ พวกเขายุมีนูนก่อนแปลว่าพวกเขาศรัทธาบิอายาทิร บ, บิมสัญญาณต่างๆของพระผู้อภิบาลของเขาคำว่าสัญญาต่างๆตัวนี้หมายถึงมุอาจีดาต่างๆที่อัลลอฮประทานให้กับนบีทุกองค์ เ, เช่นให้กับนางมารยมอะไรบ้างมุอาจีดตมีลูกไม่พานไม่ผ่านพ่อ เห็น ไ, ไหมนี่เป็นมูอิจิจานี่เป็นกุดรอตุลลอห์ไม่ใช่ฟิตรตุลลอห์ฟิตรตุห์เป็นกดกดธรรมชาติกุดตุลลอห์นี่มันเหนือกฎธรรมชาติอลัลลอฮ์สร้างมนุษย์มามีอยู่สี่แบบนะแบบที่หนึ่งสร้างอาดัมมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีแบบที่สองสร้างโตคาวาพยาของอาดัมผ่านใครผ่านพ่อไม่ผ่านแม่นี่เป็นความสามารถเรียกว่ากุดตุลลอห์ แบบที่สามสร้างนาบีญญอีสาผ่านนางมาิยามไม่มีพอ่อนี่กุศรละตุลลอ์ไม่ใช่ฟิตรละตุลลอห์เป็นกฎธรรมชาติกฎเนื้อกฎธรรมชาติแบบที่สี่มาจากพอ่อและมาจากแม่อย่างพวกเราวันนี้มีอยู่สี่แบบ น, นี่การสร้างของอัลลอฮ์สุบฮานาฮูลาให้เราเชื่อวัน ล, ละรีนาฮุมบิยายาติรับบิฮิมยุมินูน อ้ายานี้สอนให้เราเชื่อว่ามว้วนดีจากต่างๆที่อัลลอ์ให้มากับนบีทุกองค์นั้นเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลยเช่นนบีมูซาอัลลอ์ให้อะไรมานะไม้ถือวลาโยนกลายเป็นงูอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มว้วนดีจาตอีก89กรายการที่อัลลอ์ส่งผ่านนาบีมูซาช่วยฟารโหรห์เห็นให้เขาเปลี่ยนใจให้อีมานต่ออัลลอท์แต่มันไม่เปลี่ยนอะ่ะอัลลอ์สารพัดเจดรายการที่อัลลอ์ให้ การ้นบ <unlucky>. ีองอื่นอีกหล้ที่อัลลอฮ์ส่งมุอดีษะมานบีมุฮัมมัดมีมุประมาณสามรอยกว่ารายการนะสามรอยกว่ารายการนะเช่นผ่าเดือนอัลลอ์อักบัดบ็เวลาเนี่ยนบีเอามือใส่ไปในภาชนะมีคนซาวบานี่เป็นร้อยน่ะอาบน้ำนามาดไม่พอนะ่เอามือใส่ไปในน่ะน้ำออกมาอาบมาดอาบทั้งอาบทํากิอัลลอ์น้าไหลที่มือเนี่ย นี่เป็นมุอาจิาตที่อัลลอฮ์ให้กับท่านนาบี ม, มุฮัมมัดสอลล็อห์เลยุบะสลามแล้วมุอาจิาตอีกนะครับให้กับนบีหลายรายการเดี๋ยววันหลังจะอธิบายว่าสามรอบนี่มีอะไรบ้างโอ้โหแต่แต่ละรายการรายการเนี่ยเราต้องเชื่อว่านี่เป็นความสามารถของอัลลอฮ์สุบฮานอูวตาตัดาต์ต์ตังว่าเรื่องทีหนึ่งได้รับอะไรนะอายาที่ห้าบเ็ดเนี่ยได้รับเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาเนี่ยอย่ามองเป็นเนียมันอย่างเดียวนะให้มองเป็นบาลา ด, ด้วย อลัลลอฮ์ให้มาเนี่เป็นบาราหรือเปล่าผมฟังอามัดลาดมนาอามัดลาดเนี่ยเพื่อนผมนะนะขบัญญาย์ขบัญญายดีนะเขาบอกเนี่ยคนที่ขอทุกอาต้ออัลลอฮ์เนี่ยอลัลลอฮ์ให้ห้ารายการนะหนึ่งขอแล้วได้เลยสองขอแล้วได้ช้าอันที่สามขออย่างหนึ่งอลัลลอฮ์ให้อีกอย่างหนึ่งเช่นขอได้ลูกผู้ชายอาลัลลอฮ์ให้ลูกผู้หญิง ขอที่สขอแล้วอัลลอ์ไม่ให้แต่อัลลอ์เบียนเบน巴ะออกไปอ่ะขยุกตัวอย่างง่ายๆอ่ะชนเราต้ขออยากได้ร้านสักร้านหนึ่งอัลลอ์ไม่ให้มาห้าปีพอปีที่หกเนี่ยอัลลอ์ให้ร้านมาพอให้ร้านมาเนี่ยเรามองเป็นนี่อัมัดแต่ที่ไหนได้อัลลอ์ติดปลายนวมานิดนึงให้ไฟไหม้พอเปิดร้านได้ปีสองปีไฟไหม้ เผาหมดท้งร้านเลยสินค้าในร้านไปหมดเลยนะ่ะแถมหลานตายไปอีกคนหนึ่งถนะามว่าเป็นเนี่ยอมาตหรือเป็นเป็นบาระนี่เป็นบาระที่ที่อัลลอ์ขอมาให้ไม่ให้มาห้าปีนะ่ะดีหรือไม่ดีดีอยู่แล้วแต่จุกเองไม่รู้สึกตัวนะ่ะขอขอขออัลลอ์ไม่ให้แต่เบี่ยงเบนบาระพอให้มาตามบาระมาด้วยใช่ไหมข้อที่ห้าขอบนโดนยานี้ไม่ได้แต่ไปได้หลังตายต้องนึกด้วยนะ เราม่จะตายแล้วตายเลยนะตายแล้วต้องฟื้นฟื้นแล้วดูอาที่เราขอบนดุญยาถ้าไม่ได้บนดุญยาจะไปได้หลังตายดีไหมอัลฮัมยุลิลละไม่ถูกสอบสวนในในสุสานไม่ถูกมแมลงผ่องต่อยในสุนั่อยู่ในกูโบนอนกูเดียวอะ่ะใครช่วยได้อย่างนี้เป็นต้นต้องนึกตัวนั้นด้วยนะครับอาต่อมาครับอายาที่ห9เนะเรื่องที่หนึ่ง แค่ไหนกัวอัลลอฮ์เรื่องที่สองศรัทธาทั้งหมดเรื่องมุจิศาสหรือศรัทธาต่อกุรอานทุกอายะที่อัลลอ์ประทานมาศรัทธาให้หมดนะถึงจะเป็นมุมินที่ดีเรื่องที่สามครับ วันละดีนาหุมและบรรดาผู้ที่พวกเขาลายุชริกูนแปลตรงนี้ก่อนนะครับไม่ตั้งพาคีบิรอบิหิมพระผู้อภิบาลของพวกเขาบรรดาผู้ที่พวกเขาไม่ได้ตั้งพาคีต่อพระผู้อภิบาลของพวกเขาเป็นคนที่อัลลอฮรักตั้งพาคีนี่เรื่องใหญ่มากนะ คนไทยนี่มีนิสัยอย่างงี้อย่างเนี่ยเวลาจะออกจากบ้านมีถึงโจกทักกล้าออกไหมไม่กลา้าต้องนั่งก่อนสักชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยออกใหม่นี่ชีริกแต่งงานแล้วไม่มีลูกไปทำอุ้มร้ออายุขยีเดินต่อว่าจอดสายอยากได้ลูกสักคนหนึ่งอเล็กก็จะให้ละอีกสองปียกตัวอย่างไม่ทันใจอ่ะพ่อกลับมากก็ ชาวบ้านบอกอไปขอที่โต๊ตเกียรนี่สิมันช่วยได้นะเลยไปเลยครับรบาทโต๊ะ ต, ตเกียไปเดินวนๆอย่ น, นั้นะแล้วก็ปล่อยแพะไปตัวหนึ่งราคาห้าพันพอกลับมาพอครบสองปีได้ลูกอีตอนได้ลูกเรียนนึกถึงการโ ต, ตเกียที่โตเกียร์ให้เนี่ยมาใช่อัลลอฮ์ให้นี่ชีริกอย่างแรงเลยพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นวันนี้นะไม่มีใครให้เราได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ดูอัลุนาที่เราอ่าน ก่อนให้สลามใช่ไหมอัลลอฮุมมาลามาเนอาลิมาอัลตอยตะว่ลาโมตุยาลิมามนตะถ้าอัลลอ์จะให้ใครมาขวางไม่ได้ถ้าอัลลอ์ไม่ให้ให้เนี่ยใครเอามายื่นให้ก็ไม่ถึงเนี่ยเป็นดูอาที่เราอ่านเตือนใจเราว่าอย่าทำชิริกนะอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์นะเตือนตัวเราตลอดลวเวลาต้องอ่านดูอาแต่ไม่เข้าใจดูอาใช่ไหมใช่เนี่ย พอเราอา่านดวอาไม่เข้าใจดวอาใช่ไหมแปลไม่ได้อย่าง ไ, ไปเดินตอ ว, ว่าปเนี่ยไปชุมมักกาเนี่ยลับใบกอลลูมาแล้วใบลับใบกัลลาชารีกัลากัลาบแปดีมากนะอัลลอฮฺจ่าจฉันมาแล้วตามคําเชิญชวนของท่านฉันมาถึงบ้านท่านแล้วนะฉันจะไม่ตั้งพาคีใดๆกับอลัลลอฮฺไปพูดดีมากชุมมักกาเนี่ยพอกลับมาถึงเมืองไทยปับ๊บทำชีวิตอกแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ่ะ ไปชมอัลลอฮว่าฉันจะไม่ตั้งพาคีกับท่านนะเพราะกลับมาถึงเมืองไทยขับรถแต่ไปโตตะเกียรและท่าที่เราอ่านดูอาที่ขอเราไม่เข้าใจดูอาที่เราขอถึงได้ทำชีวิตกันทุกวันทุกวันทุกวันอ่าพี่น้องเอาอย่างนี้นะข้อที่สนี่นะอายาที่59เนี่ยวัน ล, ละดีนะฮุมบิรบบีหิมและยุชริกูนและบรรดาผู้ที่พวกเขาไม่ตั้งภาคี ต่อเ พ, พื่อผู้อาพยานของภกเขามุสลิมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ทําไม่ตั้งภาเขีใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยตั้งภาคีนะตั้งภาคีผูกอาจิมัดผูกนู่นผูกนี้่เอาลองอักขรเต็ไมไปหมดเนี่ยลูกหลานเรากำลังกันไปหาหมอให้หมอเป่านู่นเป่านี่จะแต่งงานกับมันการต้องไปหาหมอดูก่อนสังเกตนะ เวลาขั่งขึ้นเนี่ยจะนิค้ากันบ่อยมากนะการจะมาเต็มจะผมมาเปิดๆอย่างนี้เลยผมจะไปงานไหนเนี่ยบางทีงานห้าวันหนึ่งห้างานอะ่ะพี่น้องส่วนยญ่จะแต่งขั่งขึ้นไม่แต่งขั้งแรมนี่อากีดัสผิดนะข้อขั่งขึ้นมองเป็นขั้งใร น, นะดีมีบรรยากาศใครบอกทุกวันดีหมด อย่าไปกำหนวดวันพุธวันพฤหัสแล้วดีวันอื่นไม่ดีไม่ใช่ทุกวันดีหมดเลยอย่าไปเชื่อหมอดูนะการเชื่อหมอดูเป็นชื่อลิกเป็นบาปใหญ่มากเลยนะครับอลัลลอ์ไม่ไม่ยกโทษให้นะครับอาญาณนี้ต้องการจะสอนพี่น้องชาวนั่นนะ่ะชาวนาซาโรา่พอนั้งกันพิรลอานอธิบายอย่างนี้แล้วก็ the kafulun ladi nakkalu innallaha h u w a l m a s i y แท้จริงมีอยู่คนอยู่กลุ่มกลุ่มหนึ่งที่ปฏิเสธอัลลอฮ์พวกเขาบอกว่าอัลลอฮ์คือมาเีฮ์อัลลอฮ์ก็คือมาเซฮ์นั่นแหละอัลลอฮ์คือในบิีซานั่นแหละที่ใครพูดนะพี่น้องชาวนาซอรออยู่กับพวกเราตรงนี้นะและอีกกลุ่มหนึ่งพูดว่าไงนะอินนัลลอฮ์ัซาลิสุซาลา่อัลล์นั้นเป็นที่สามในสามอธิบา ย, ยังอัลอ์เป็นที่สามในสามท่านจะเหลือมได้ใบยยงไง อัลลอฮ์เป็นที่สามในสามมันมีทรีทรีนิตี้ใช่ไหมนะ่ะอันละอัลลอฮ์ก็น ห, นหนึ่งในสามนั่นแหละวหมมันจะเป็นอะไรอะฟาเซอร์มาเซอร์อะไรก็ตามแต่มาจิตพระบุตรพระบิดาภ่าอะไรนะพระวิญญาณอ่าอย่างนี้เป็นต้นอันละทั้งหมดผิดหมดเลย อัลลอฮฺมิองเดียวอัลลอฮฺอัพัดอัลลอฮฺซัมัดลัมยลิดวะลัมยูลัดวะลัมยักุลละหูุหุฟุอันอัพัดนะครับแต่ทีนี้เรื่องชีริกเนี่ยมันเรื่องใหญ่มากนะบาปเป็นบาปใหญ่ที่อ AH, ัลลอฮฺไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่อภัยโทษให้มีอยู่ฮัจดิษหนึ่งพูดสามเรื่องนะพูดเรื่องบาปใหญ่หนึ่งใครที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺจะไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺที่อยู่ของพวกเขาคือไฟนรกนะครับ เรื่องเรื่องที่สองคนที่ทรยศต่อพ่อแม่จะไม่ได้เข้าสวรรค์นอกจากจะต้องตบบาตัวต่ออรห์ด่าพ่อแม่ตัวเองทรยศต่อพ่อแม่ตัวเองนี่หนักมากนะมีคนถามว่าฉันนี่เคยทรยศต่อพ่อแม่แต่วันนี้พ่อแม่ตายไปแล้วเยจะตบบาตัวยังไงมีคนโทรถามมาเยอะคุณขอรู้อ่างสิวันนี้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเองซะนำมาดให้ครบวันละห้าเวลา หันมาเรียนศาสนามาเรียนศุนย์หนาท่านนาบีแล้วก็ขอดูอาให้พ่อแม่ทุกวันขอว่างี้รอบบิ้ฟิน ล, ล, ลีวาลีวาลีด้ยะวารหามฮุมากำมะรับบายานีสกิโรขอประจำถ้าเป็นคนผิดก็จริงจะขอเถอะมั่นใจว่าอัลลอฮฺอภัยโทษให้แต่ไม่ใช่เดือนละครั้งนะต้องขอทุกวันวันหนึ่งเป็นสิบสิครั้งนี้สิบครั้งเป็นร้อยเลยเพราะเรามีความผิดกับพ่อของเรากับแม่ของเรานะครับ เรื่องเรื่องเรื่องเรื่องที่สามนะครับเกาลูซูดพูดพูดเท็จเป็นพยานเท็จนี่บาปใหญ่มากกั้นนี่ยเวลาเขาขึ้นศาลกันนะเขจ้างกันนะแลน้นั่นแต่บาปหมดเลยนะบาปใหญ่ทั้งหมดนะอลัลลอฮ์ไม่พยายโทษให้จนกว่าจะต้องตอบบ้าตัวต่วตออลัลลอฮ์เรื่องบาปใหญ่มีทั้งหมดเรื่องของอากีดามีทั้งหมดสิบเกรายการเรื่องเดือดด้านด้านหันวใจอย่างเดียวนะสิบเก้ารายการอะไรบ้างขอเล่าสักเด็กหน่อยนะ คนที่ทําบิดาทั้งหมดอัลลอฮ์ไม่เข้าสวรรค์เวลาจะไปกินน้ําทินน บ, บีตักตักน้ําให้จะม่แจกเห็นทุกมาชัดรูนะ่ะก็เห็นร่องรอยการอาบน้ำนมาศโอ้หน้าเสาหน้าสายสว่างดีน บ, บีวันพวงฉันเรียกเขามามาเลยก้ากันบอกไม่ให้เข้าน บ, บีก็อ่ะกันเขาทำไมลนะ่ะหลังจากท่านเสียชีวิตไปแล้วก็ทําบิดา โอ้โหนี่ไม่ไร้ก้าการนํามาให้เข้าแต่เรื่องบินอา้าเรื่องใหญ่ท่านอย่าทําบินอา้าพยายามทําตามสุนนะนบีอย่างเดียวนะครับทำตามเฉพาะเท่านบีทําเป็นรูปแบบไว้อย่าคิดเองอย่าทําตามคนหนึ่งคนใดไม่ได้พยายามทําตามสุนนะนบีเรียนสุนนะนบีและปฏิบัติตามสุนนะนบีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คืออัลอีมานบินูยูมเชื่อดาว ดวงดาวดวงนี้มาประเทศจะเป็นอย่างนั้นเมืองจะเป็นอย่างงี้สังคมจะเป็นอย่างนี้คนนั้นจะตายคนนี้จะเกิดนี่เป็นชีวิตทั้งหมดเลยเรื่องดวงดาวนะครับให้มองได้แต่อย่าเชื่อว่าดวงดวงนี้มาจะทําให้บ้านเมืองมีปัญหาอย่ากที่คนกาเฟสหนังสือพิมพ์ใช่ไหมล่ะโอ้โหลองอ่านอยู่ิวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์เป็นอย่างนี้วันอาคารเป็นอย่างนี้ถ้าอ่านทุกวันนั่นก็ติดนิสยัยพรติดเชื่อเลยพราเชื่อปั๊บเนี่ยอากดีด้าเราเสียแล้วนะ แล้วต่อมาอีกเรื่องหนึ่งตัสดีกุลกาหินไปเชื่อพวกหมอดูอย่าเอามือไปให้หมอดูนะมันดูได้มันได้ตังค์ด้วยเราก็บาปอีกอ่ะไหมมันท้ายแล้วก็เชื่อทุกทีนถ้าจะดูฝ่ามือดูได้ได้ได้สองเลขนะเลขแกับหนึ่งปสิบเอดขวามือเลขสิบแปดบวกการเป็นเก้าสเก้าเป็นอัสมาอุลฮุสนาเป็นเชื่อของใครนะของอัลลอฮ์ะุ์ุาุ์ัลลา ต่อมาครับตาลีกุตตมาอิมห้อยตะกุดห้อยอจิมัดห้อยห้อยที่คอที่แขนที่เอวในอินเดียเยอะนะครับต่อมาครับทิ้งคําพูดของท่านนาบีแล้วก็ไปยึดคําพูดของคนอื่นๆซึ่งไม่ใช่นบีและสัฮาบะขจายใช่ไหมทิ้งคําพูดของท่านนาบีอย่างนี้ฉันฉันไม่เอาฉันจะเอาอย่างนี้แล การปฏิบัติเนี่ยไม่ได้มาจากซอบ้านนบีนะไม่ได้มาจากนาบีนะจะไปเอางจากคนอื่นแทนแทนนบีแทนซอ บ, าาบ้านนบีนี่เป็นบาปใหญ่มากเลยข้าใจนะอีกข้อหนึ่งก็คือเอ่อทรยศต่อพ่อแม่อันนี้เล่าแล้วนะเอาละเอาแค่นี้ก่อนนะครับจะบอกว่าการทรยศต่อพ่อแม่นี่บาปใหญ่การตั้งชีริกเป็นบาปใหญ่ตั้งภาคีเป็นบาปใหญ่หิ้วอะไรนะ ห้อยตะกุดบาปใหญ่นะครับเชื่อดวงดาวนี่บาปใหญ่เล่นสยศาสตร์นี่บาปใหญ่มากนะครับเอาต่อมาอายาที่ห0สนะวัลละนีนะวัลลีนียุตูนมาอาตาวะค uh um ุลบุหุมวจิละน ن หุมอิลารบบิหิมรรจิยอุน والذين يؤتون ما آ ت و ق ا ق ك ل ب ه م وجل أنهم إلى ربهم راجعون อัลลอฮฺอัลกุอายานี้ดีมากๆเลยนะให้พี่น้องจำนะผมว่าน่าจะเขียนแปะเอาไว้ที่ที่ฝาประหนังบ้านนะทายละขยะให้ตัวนิดนึงมาดูคำแปลครับ นี่เรื่องที่สามครับพอมันจะมีสี่เรื่องนะเรื่องที่หนึ่งให้กลัวอัลลอฮ์ในใจเรื่องที่สองเรื่องมุอะจีศาสให้เชื่อให้หมดเรื่องที่สมอย่าตั้งภาคีเรื่องที่สี่เรื่องนีนะ้คนที่เป็นมุสมินเนี่ยต้องอย่างนี้ครับวัน ล, ละดีนายุตูนะบรรดาผู้ที่เขาจ่ายอาตายะตูปะถึงบริจาคหรือจ่ายจ่ายเงิน จ่ายทองจ่ายอากาศจ่ายฮัตถยะจ่ายสตอกะจ่ายวากาฟทั้งหมดนี้จ่ายหมดเลยนะบางคนไม่มีเงินจ่ายแต่พูดจาเพราะๆ เ, เป็นสตอกะยิ้มกับคนแทนที่จะหน้าบึง้งเห็นหน้าแล้วยิ้มก่อนวันสร้างวาเล่กุ้มเป็นสตอกกต้องเลือกบางนะมาเ จ, เจอผู้ชายเลยยิ้มมาเจอผู้หญิงก็หน้าบึง้งไม่ใช่ผู้หญิงกับผู้หญิงยิ้มกันผู้ชายกับผู้ชายก็ ย, กยิ้มกันจนะ้ะ อย่างนี้เป็นตัวนัน่นคนที่บริจาคบริจาคอะไรครับมาอาเต อ, อแท้จริงผู้ที่เขาบริจาคที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่เขาแสดงว่าทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่นั้นใครให้ครับอัลลอฮ์ให้ใช่ไหมบ้านที่อาที่มีอยู่ใครให้อัลลอฮ์ให้ ลูกอัลลอฮ์ให้ที่ดินอัลลอฮ์ให้รถอัลลอฮ์ให้ความรู้ที่เรามีอยู่ในสมองเราอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดที่เราครอบครองอยู่มาจากอัลลอฮ์เมื่อครอบครองแล้วต้องบริจาคด้วยอต้องให้ด้วยไม่ใช่ครอบอย่างเดียวเก็บเก็บเก็บเก็บต้องบริจาคบริจาคทีนี้ตอนบริจาคเนี่ยวากูลูบูฮม ขณะที่เขาบริจาคนั้นหัวใจของเขากู้รูปพอถึงก้อนบุญหัวใจของพวกเขาเป็นไงครับวาจีลัประวันหรือกลัวประวันบริจาคแล้วกลัวบริจาคแล้วประวันบริจาคแล้วคิดอลัลลอฮฺจะรับหรือไม่รับอลัลลอฮฺจะให้รางวัลหรือไม่ให้รางวัอลอัลลอฮฺจะให้แบบคนฝังกนู้นหรือเปล่านึกอ่านี่ไงคนดีนะ จะท่านข้อที่สีนี่ดีมากนะจะทำอะไรก็ตามที่เป็นความดีต้องนึกว่าอัลลอ์รับหรือไม่รับกลัวประวันท่านเมืไหร่บางคนไปน้มาจานาจาพอนัมมากลับต้องนึกไปนมมาจานาจาวันนี้ได้อะไรเปล่าได้เงินมาสองรออัลฮัมดุลิลละไม่ใช่แค่นั้นนะต้องนึกนะนัมมาเมอรอกี้นี่ฉันขอดูอา้คนจาเนี่ยอลัลลอ์รับ รับดูอามของฉันหรือเปล่าว่าคนตายก็ได้ปลอดภัยจะได้ไปสวรรค์ต้องนึกมาจนนึกแคบเงินน่ะต้องจะทําอะไรก็ตามแต่อย่างมาชาเนี่ยนามสุบโบต้องนึกนอ่ะเอานามสุบโบมาเชา้าลวกหรือเปล่าต่อมานี้หน้ามีไหมคูช่วยไหมใจลอยไหมต้องนึกครับอาบหน้ํานมามสุบโบมาเชานะ้าเนี่ยอาบลวกลวกหรืออาบแบบแบบอะไรแบบแบบดีๆอ่าบิสมิลลาหรือเปล่าต้องนึกครับทำดิล่ะนี่อลัลลอฮฺสอนนะ่ะ วันลาดีนยุตุนามาอตาอูและบรรดาผู้ที่พวกเขาบริจาคหรือจ่ายนะครับตามสมรรถภาพที่เขามีอยู่ที่อัลลอ์ได้ประทานให้แก่เขาขนาดที่เขาใจ่าวากูลูบูฮุมหัวใจของพวกเขานั้นวาจิลาจุนนะครับประวัตหรือกลัวอันนหุมอีลารอบบิฮิมรอจิอู พวกเขาต้องกลับไปยังพระผู้อภิบาลของเขาแท้จริงพวกเขาจะต้องกลับไปยืนอยู่ต่อหน้าพระผู้อภิบาลของเขาในวันเตียมบริจาคตรงนี้บนดุนยาแต่ใจต้องนึกที่ฉันบริจาคอันนี้นะ่ยอัลลอ์รับหรือไม่รับเดี๋ยวฉันไปยืนอยู่ตายแล้วฟื้นขึ้นมาไปยืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ผลบุญที่บริจาควันนี้อัลลอฮ์รับหรือไม่รับต้องนึก ตัวอยู่บนดุลยาแจกใจผูกพันกันโลกอะไรนะโลกอาคีรักดีไหมสง่างามมากเลยครับฉะนั้นอ่านฮะดิสอ่นอ่านอ่นอ่านคุรอ่านอ า, นอ า, นาอยานีแล้วนะครับท่านยิงอาอิช่ารายงานยิงอาอิช่าก็อ่านอ่านกุรอ่านอายานีท่านยิงอาอิ ช, าอาอาชาออ่าใครรู้ไหมภรรยาของท่านนาบีที่สาวที่สุดละชีย่าดามากที่สุดเดี๋ยวไปตอบอัลลอฮ์ในวันเกี่ยม หนักงานนิ่หนักหนักมากครับนางอ่านกุณอ่านอายานี้แล้วถามท่านนบีเห็นไหมฉะนั้นมุสลิมอยู่บ้านอ่านคุณอ่านเยอะๆถ้าอ่านแล้วไม่เข้าใจเดินมาถามผมฐานอารยูซุบถานิยาถามยมูทุกคนอายานี้อธิบายยังไงแบบท่านหญินไอชาอ่านกุณอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือเข้าใจกลัวจะผิดถามใครถามท่านนบีซึ่งเป็นสามีของนางเองถามว่าไงถูกไหม ยาระซูลอลลอฮ์โอละซูลของอัลลอฮ์อัลลอีนายุตูนามาอาตะวะปูรูบุหุมวาจิละคนที่บริจาคหรือจ่ายทรัพย์สมบัติของเขาในทางของอัลลอ์และหัวใจของเขากลัวอธิบายอย่างนี้ใช่ไหมคนที่ลักขโมยคนที่ทำสีนาคนที่ดื่มเหล้าใช่ไหมเวลาเขาทำความดีเขานึกจะบอกไม่ใช่ พอภรรยาถามนายบินบอกไม่ใช่ไม่ใช่คนทําซินาไม่ใช่คนลักขโมยไม่ใช่คนกินเหล้าไม่ใช่อธิบายครับโอ้ลูกสาวของท่านอบูบักัดเ อ, อ๋ยอาย่านี้สอนคนที่อยู่ซ่อนลีคนที่นามาดวัยซูมคนที่ถือสินเอดและคนที่บริจาคในคูทางของอัลลอฮ์ทำแล้วต้องกลัวด้วยว่าอัลลอ์จะรับหรือไม่รับไม่ใช่คนชั่วทำ ไม่ใช่คนทําสินาไม่ใช่คนกินเหล้าคนเล่นการพนันไม่ใช่นั้นคนที่นมาถ้าเวลานี่แหละคนที่สื่อถือบวชในเดือนระมาดนี่แหละและบวชวันจันทร์กับพุทธหัสนี่แหละแล้วก็อะไรนะนมาถ้ะทำบุญเนี่ยคนดีๆหลังนี้ต้องนึกทุ่มข้ามที่ทําความดีต้องนึกว่าอาลัลลอฮ์รับหรือไม่รับดีไหมฮักดูเรื่องท่านเราสบายใจฉะนั้น นี่สอนเรานะไม่ให้ตะก บ, บุลเวลานำมาแล้วชันแน่ชันถือบวลแล้วอร่อยห้ามตะก บ, บุลห้ามเยอหยิงห้ามจองหองแต่ให้นอบนอ้นอมแล้วก็ทอมตนเลาเราจะรับนำมาของฉันหรือเปล่าเนี่ยรับบวลของฉันหรือเปล่ารับสซดาโก้ของฉันเปล่าต้องนึก แล้วก็ขออุอาถอละอัลลอตกอบบัลมินาดุอานาวะลาตานะยาอัลลยาอัลฮามาราะฮิมขอภาษาไทยก็ได้นะครับเอาอายานี้ต้องการจะสอนบอกว่าคนที่นมาทุกวันนี้แหละคนที่ถือศีลอดตะกับคนที่บริจาควาวะยาคอฟุลลอฮอัลลยตกบบัลมินห่วกลัวว่าอัลลอฮจะไม่รับความดีที่เขาทำเข้าใจนะทาอยู่หรืลาภาษาอุลุอ่านนิดนึงนะ ตัปซีดของท่านมาจิดีของอิมอมนะคอมเลอนาอบุลฮสซันที่พิมพ์อยู่ที่ ร, รที่รอบิต้เนี่ยก็บอกกันนะเนกีกัดเนกีบาวุยุดดัดเตให้ทำความดีแล้วให้มีความกลัวด้วยอีกท่านหนึ่งอปปเนียอามันปะมมารูดนาฮีโฮเตทำดีแล้วอย่าอวดดีทำความดีแล้วอย่าอวดดีวะฉัน แน่กว่าคนในหมู่บ้านนี่ทุกคนโอ้โหอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ครับต้องนอบน้อมและถอมตนอาอาธิบายยังไงครับอธิบายอย่างนี้คนอาวามอ่าอายะายะสุดท้าย61นะครับอูลอยกายุซาริอูน ف คร ل ตว ر ا ت وهم لا ها س ا ب ق ูน อุลาอイกะยุสาริย์ عون ในข่ายรัตวะฮุมลาฮาซาบิคูนอุลาอีกแปลว่าเหล่านี้พวกคนเหล่านั้นน่นแหละเนี่ยคนที่ทำสี่ข้อเนี่ยนะอะไรนะกลัวอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อมุอัิดะทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์และเรื่องที่สามไม่ทำเชริก ข้อที่สี่ทำความดีแล้วนํามาแล้วสตรกอแล้วกลัวว่าอัลลอฮฺจะไม่รับสี่ข้อนี้นะ<ม>ถ้าทํากันสม่ําเสมอ น, น, นะ<ม>เรียกว่ายูซาดิอานาฟิลคอยรอพวกเขาแข่งกันในการทําความดีนี่เรื่องวัตถุหรือเรื่องหรือเรื่องดุนยาเรื่องอาคิระอนเรื่องอาคิระอนหมดเลยสี่รายการนี้เรื่องอาคิระอนไม่ใช่เรื่องดุนยาใช่หรือไม่ใช่ อ้าวเรื่องอีมานใช่ไหมเรื่องเนี้ยเรื่องอีมานเรื่องตักวาใช่ไหมเรื่องอีมานเรื่องตักวาเรื่องอิคลาสเรื่องยาตีนเรื่องอยาซานห้าอะไรกันเรื่องอาร์กิร่าหมดเลยครับอุลามะอธิบายดีก็บอกว่าวันนี้เนี่ยคนทั่วๆไปอาวามอาวามโลกคนทั่วๆัไปนั่นไม่ได้แข่งขันในเรื่องการทําความดีแต่แข่งขันการหาประโยชน์ดุนยาว่าใครจะมากกว่ากันใช่หรือไม่ใช่ แข่งกันใครจะมีมีลูกมากกว่ากันลูกฉันต้องดีกว่าลูกลูกท่านน่ะมันอยู่ในใจทุกคนนี่ข้าเล่าอันเล่าเองนะอุลมามะ ก, ก็อธิบายให้บ้านฉันก็ต้องใหญ่กว่าบ้านท่านนะเงินฉันต้องอยู่ธนาคารมากกว่าบ้านท่านใช่ไหมล่ะฉันต้องมีทีวีจออะไรนะจอแบน <laughs> ของผมเนี่ย สมัยไหนไม่รู้นะเสียเรื่อยตรงเคาะพอข้อแล้วก็ติดทําไมข้อไม่ติดผมก็นั่งเลือกเอาแล้วเราไปดุนยาไม่มีอะไรเลยนะเอาเนี่เล่าให้ฟังทีงนี้วันนี้เนี่ยคนเขาแข่งกันเลือกได้นะเรื่องประโยชน์บนโลกดุนยาแข่งหาเงินหาตําแหน่งหาชื่อเสียงหาเกียรติยศหาพรรยา ก, กันหลายๆลายคนม่นก็ไม่ผิดหรอกแต่ให้วัฒนธถ้าดูแล้วถูกต้องนะ แต่อายานี่ต้องการจะให้เราแข่งกันในเรื่องของอีมานให้แข่งกันในเรื่องตักวาให้แข่งกันในเรื่องของอัคราใครจะมีมารยาทงามแบบนบีมีไหมเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ท่ที่จะแข่งกันเรื่องรถแข่งกันเรื่องบ้านแข่งกันเรื่องอะไรต่ออะไรเรื่องวัตถุเปลี่ยนใหม่ <segundo> เปลี่ยนความรู้สึกใหม่มาแข่งกันใครจะมีอีมานมากกว่กวากันใครจะอ่านกุร อ, อ่านได้ดีกว่า <S <S วกัน ใครจะนามาตะฮัตยุทธ์ได้มากกว่ากันใครได้มานามาที่มัสยิดมากกว่ากันใครจะมีตักวามากกวก็มันนึกเรื่องนี้ดีกว่าแล้วบอกลูกของเราให้แข่งกันอยู่ซาเรียอุนะฟิลคยรอแข่งกันในด้านของคุณธรรมความดีอลลอฮฺ Allah, พี่น้องดีดีไหมถ้าอย่างนั้นเราก็หลงดุนยาทุกันทุกค น, กคนฉะนั้นอาญานี้เตือนเรานะว่ผมไปบรรยายี่ไหนวันนั้น ก็เดินไประหว่างทางเนี่ยไปเจอบ้านพี่น้องมุสลิมเราก็เยอะนะมามองดูแล้วก็หน้าหน้า น, า, น, า, นาสงสารนะไม่ค่อยเอาศาสนารู้ไงรู้รู้จากการจากการแต่งกายนะการแต่งกายของมุสลิมานนะมองปั๊บนี่รู้เลยว่าพี่น้องเราเนี่ยนะไม่เอาศาสนาการแต่งกายของมุสลิมานนะรู้เลยนุ่งผ้าก็โจมออก อยู่หน้าบ้านเนี่ยพูดจริงไอ้ภาพนี้มันน่าจะเห็นเมื่อห้าสิบปีที่แล้วใช่ไหมวันนี้เราก็สอนศาสนากันอะไรกันพี่น้องเรายังแต่งตัวเหมือนเหมือนยังนี้กันอยู่ถามว่าเพราะอะไรคําตอบก็คือเพราะความจนอ้างความจนได้ไหมไม่ได้เอาผมขอเล่าซอ บ, บ้านอับดุลนะจนขนาดว่ามีผ้านามาดผืนเดียวสามี ใส่เสื้อผ้ามานมาดมัสยิดกับท่านนบีพอนมาดจบแล้วนะ่ยรีบกลับทุกวันมีอยู่วันหนึ่งนบีถามว่าจะเพิ่นกลับมานั่งกับฉันก่อนได้มามาฟังศาสนาบอกว่าต้องรีบกลับไปถอดผ้าชุดนี้ให้ภรรยานมาดที่บ้านเห็นยังครับท่านอัลซอฟานบีนะเป็นบุคคลดีที่เอาลอยยกย่องให้เรามองคนะนะั้นอ่ะมีผ้าเสื้อผ้าอยู่ชุดเดียวเนะ่ย ให้สามีนมาที่มัสยิดแล้วรีบกลับไปถอดให้ภรรยาใส่ละหมาดที่บ้านท่านจนยิ่งกว่าเราใช่ไหมแต่เขาขาดละหมาดไหมเขาไม่ขาดละหมาดน่ะเขารักษ า, าศาสนาก็แต่งกายถูกต้องอะแต่แต่พวกเราพอพอความจนมาเยือนนิดนึงนะทิ้งาศาสนานะ่ะก็ขอร้องอย่าทิ้งได้ไหมออลอใส่เสื้อปิดๆ ด, ดีไหมถึงจะขาดเนาะก็มีปัญหามาใช่นุ่งกระโจมอกอลอลอนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ย ไอ้เราว่ต้องลบเราเคยมองมาเยอะแล้วเลยนะตอนนี้ก็ไม่อยากจะมองแล้วสินะนะนะมองของเราดีกว่านะผู้ชายกับผู้เรียนชายเหมือนกันนะเผินเดินผ่านหน้าผู้หญิงต้องอะไรนะจ้องหรือลถถามพวกเธอจ้องหรือลถลดนะไม่ใช่จ้องนะเจ้างนะคนฝั่งก็นู่นลถนะคนฝั่งกนี้ต้องฝึกต้องฝึกนะเอาพี่น้องตัวลงว่าอายาสุดท้ายนี่อะไรนะ อุล ائك ยุสั่งยองในขยรอตวะหุมลาซาบิกูนพวกเขาเหล่านั้นแข่งขันกันในการทําความดีและพวกเขาเป็นผู้รุดหน้าไปก่อนซาบิกรุดหน้าไปก่อนแล้วอยู่แถวหน้าแล้วพร้อมที่จะไปสวรรค์แล้วใครรู้ไหมบรรดาซอ บ, า น, า, บ, า, บานะบีอัลลอฮ์ซอบานะบีนี n ่นะ เขาจนด้วยแต่เขามีศาสนามาดูคนรวยอ่ะดูรามานวินเอ้ามหาเศรษฐีคนหนึ่งนะแต่ศาสนานี่เต็มเปี่ยมเลยทั้งอาคีรอดก็ดีดุนยาก็ดีท่านอบูบักเราเดอยวรอวานดูเป็นคนที่ดูแลนบีด้านการเงินท่านนบีถามท่านอบูบักมาบริจาคกว่านั้นเหลืออะไรที่บ้านเหลืออัลล์และรสู่บริจาคหมดเลย ถามท่านอ บ, บูถามท่านไซนาอุมัิเหลือได้ที่บ้านเหลือครึ่งหนึง่งมาให้นบีครึ่งหนึง่งเข่าั้ยเขาบริจาคเงินของเขาเนี่ยเพื่อ AH อาล่อมาละซูนแล้วเป็นไงครับเอาล่อ ah, เขาได้ไปสวรรค์บนเลยในวันนี้ท่า น, น, นพี่น้องครับมีาศาสนาเนี่ยอะไรนะตักวาอีมานอะไรนะอิฮซานยะตินอัคลากมีอัคลากขอท่านนาบี ลัคราสนาบีพุกคออธิบายนี่เนะ่ยได้ยินเสียงอาจารย์ปั๊บเนี่ยมือสันอยากจะไปสเราทาได้ปะต้องฝึกได้ยินเสียงอาจารย์อ๋ออยากจะไปมัสยิดเห็นกุรอานก็เห็นเห็นเห็นบุรีเห็นมือเห็นกุรุอานแล้วมือสันอยากจะเห็นบุรีมือตกตกมันข้าเห็นบุรีมือสันอยากจะเห็นกุรุอานแล้วมือตก อย่างนี้นะเขาจะอักลักษณ์ดีหรือเปล่าอักลากไม่ดีเห็นผู้หญิงผู้ชายเดินมาลดสายตาอักลากดีคนที่จ้องทำอยู่เลยเลยอักลักษไม่ดีเห็นหน้าพ่อแม่เข้าไปกอดแล้วก็หอมมารยาทดีใช่ไหมเห็นหน้าพ่อแม่เบิ่งเมินหน้ามะตังมารยาทไม่ดีฉะนั้นมันต้องมีมารยาทดีด้วยอักลักษณ์บนท่านนั้นดีต้องเรียนและนำเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ سبحانك اللهم وبحمدك وسلام ا ه إلى أنت أستغفرك واتوب إلي وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته